คำว่าธรรมมีอยู่คำว่าธรรมประเสริฐสุดในโลกไม่มีอะไรเสมอไม่มีอะไรเทียบได้คือาศาสตราพงเอกได้แก่พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ท่านทรงสแสดงมาจากคำที่ว่าธรรมมีอยู่คือมีอยู่ในพระไถ่ท่าน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 คนมีกิเ ห, หนาปัญญาอยากหรือปัญญาทึกถูกี่เด็สครอบงําหัวใจแล้วนําโอวาทของกิเลสออกมาหลอกลวงโลกแต่เป็นศาสดาองค์เอกไม่มีกิเลสแม้นนิดหนึ่งเขาเครือบแฝงในพระไถยนั่นเลยพระไถยทั้งดวงเป็นธรรมทั้งแท่นว่าธรรมมีอยู่เท่านั้นก็กระเทือนพระไถย ทำประเสริฐเลิ่โลกคือเหนือกว่าโลกก็กระเทือนในพระไถยการแสดงออกด้วยพระเมตตาพระเมตตานั่นก็เต็มอยู่ในพระไทยไม่มีคําว่าดุดดนเดาๆไม่มีคาว่าเป็นเงาเงดำดๆด่างๆแต่เป็นเนื้อเป็นหนังเป็นองค์แห่งธรรมแท้เต็มอยู่ในพระไถ่สั่งสอนโลก ด้วยพระเมตตาจริงๆและสอนด้วยความถูกต้องแม่นยําตามธรรมชาติที่มีอยู่นั้นคือตามธรรมที่มีอยู่ลึกซึ้งอย่างละเอียดน้าบางในขณะเดียวกันสิ่งใดที่เป็นภัยต่อจิตต่อใจหรือเป็นภัยต่อธรรมท่านก็ทรงแสดงไปในขณะเดียวกันสิ่งที่เป็นภัยต่อความสว่างก็คือความมืดสิ่งที่เป็นภัยต่อธรรมก็คือกิเลส ซึ่งถือสถานที่คือจิตดวงเดียวเป็นที่อยู่เป็นที่อาศัยเช่นเดียวกันหมดและคำว่าธรรมมีอยู่แต่ที่ยังไม่ได้ตรัสรู้ก็ไม่ทรงแสดงว่าอย่างไรเลยเพราะไม่มีไม่รู้ไม่เห็น กิลก็ไม่สามารถจัดแจงออกมาได้ว่าเป็นประเภทใดต่อประเภทใดบ้างทั้งๆ ท, ที่เป็นค่าสิทธิเต็มหัวใจเป็นพระไทยของพระพุทธเจ้าแต่และพระองค์แต่เมื่อได้ทรงหรือฟื้นหรือได้ทรงขุดค้นอัตธรรมโดยหลักธรรมชาติโดยหลักของสัพพัญญูที่ทรงค้นขวายเองทรงรู้เองเห็นเองได้ประจักษ์พระไทยแล้ว จึงได้นำทั้งเหตุทั้งผลของธรรมนำทั้งเหตุทั้งผลของกิเลสซึ่งเป็นตัวภยัยประกาศแจกศาต ร, ร์โลกซึ่งมีสลิดนิสัยหรือพื้นเพต่างๆกันให้เป็นที่เข้าใจโดยลำานับลำดาเฉพาะอย่างยิ่งท่านผูดด้จีเห็นโทษหนภัยอยู่เต็มหัวใจอยู่แล้วแต่ไม่สามารถที่จะ สาะแสวงหาทางออกได้เมื่อได้ฟังกระแสเสียงแห่งธรรมจากพระพุทธเจ้าเพียงเท่านั้นก็เป็นเหตุให้กระเทือนจิตใจทั้งโทษทั้งฝ่ายโทษ ท, ท, ทั้งฝ่ายคุณแล้วพยายามขวันขวายหรือตะเกียกตะกายสุดความสามารถตั้งแต่ขณะเริ่มแรกนั่นเลย ในศาสดาองค์ปัจจุบันของเรานี่ก็คือพระเบนตะวะขีทั้งห้าพอทรงแส ด, ดงเวเมพิคเวอันตาปะบายิเตนันเสเซนิตาบาเท่านั้นวทราบว่า น, นี้คือทางเครื่องหลอกลวงสัตว์โลกยังไม่ใช่ทางแห่งธรรมแม้จะปฏิญาณตนหรือเข้าใจว่าตนดำดำเนิน ว่าถูกทางก็าตามแต่ยังเป็นเรื่องเป็นทางของกิเลสไม่ใช่ทางของธรรมการทำตนให้ลำบากเปล่าๆโดยเจตนาพิ ม, มุ่งอัดมือทำแต่ทำไม่ถูกต้องมันเป็นแผนการของกิเลสไปเสียนี่หนึ่งการประกอบตนให้หมกมุ่นอยู่กับ กิเลสญาติะตันหาทั้งมวลซึ่งเป็นรังของกิเลสรุ่นรวนนั่นก็คือดำเนินลิถูกกิเลสฉุดล่าไปโดยไม่ต้องสงสัยหนึ่งสิ่งที่จะทวนกระแสะแห่งทางทั้งสองเงื่อนนี้ก็คือมัชฌิมาปฏิปทาตถาคตเตนอายิชัมบุตถา จักกูเกรณิญาณะเกรณีปุปสมายะปิญญาะสัมบูทายนิบานายะสร้างวัิตเสยยที่ดังนั่นส ม, มาธิที่ส ม, ม า, ส, มมาสังกปูไปเลยในส่วนที่เป็นข่าศึกก็ทรงแสดงให้ทราบในเบื้องต้นแล้วว่าเสยยที่ดังกาตันหาภาวตันหาวิภาวะตันห า, ะะหาอันนี้เป็นเรื่องของเธอ เรื่องการทำความตนให้ลำบากเปล่าก็ก็บอกแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรล้วกอขึ้นโดยทุกต่างหากนี่ก็ได้แสดงไว้แล้วมาอันดับสองเป็นเรื่องของสมุททยอย่างชัดเจนก็บอกไว้ว่าการมาตัญหาาวะตัญหาวิภวะตัญห า, หานี่คือสิ่งธรรมชาติที่จะสังสมกองทุกุอพพอาภูิทุกให ทับถมจิตใจของสัตว์โลกไม่มีประมาณการสถานที่เลยก็ทรงแสดงให้ทราบจากนั้นก็ทรงแสดงมัชชิมาคือความเหมาะสมในการก้าวเดินออกจากสิ่งที่เป็นท่าศิษหรือเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยเหมาะสมกับการป ร, ราบสิ่งที่เป็นท่าศิษยทุกประเภทออกได้โดยสิ้นเชิงไม่สงสัยได้แก่สัมมาทิฏฐิ ความฉลาดโดยธรรมธรมมาสังกปหมี่วามหมายถึงความฉลาดที่ทรงดำริด้วยความฉลาดแหลมผมโดยธรรมไม่ใช่เป็นความฉลาดดังที่โลกโลกทั้งหลายใช้กันธรรมมาทิฏฐิธรมมาสังกปนี้เป็นความฉลาดทางด้านธรรมะรุวนร้วน ที่จะสามารถแก้สิเลสให้หมดไปจากใจได้โดยทิ่เฉิอุบาสที่ออกมาจากความฉลาดนั่นคืออะไรอีกที่จะแสดงออกในการต่อสู้ในการนำเนินก็คือสัมมาวาจากระชอบด้วยปัญญานสัมมากรรมโตกระทาชอบด้วยปัญญาด้วยความฉลาดสัมมาอาชีโวเลี้ยง ร่างกายและจิตใจด้วยความชอบธรรมด้วยปัญญาสัมมาวายามุเพียรชอบด้วยอุบายสั่งปัญญาสัมมาสติสัมมาสมาธิาระลึกด้วยอุบายของปัญญาพาให้หรละลึกนั้นมีความแ น, นียวแน่นมั่นคงทางด้านจิตใจด้วยอํานาจของปัญญาเป็นผู้นาําทาง ทำเหล่านี้แลหละคือทําเป็นเครื่องถอดถอนกิเลสทุกประเภทซึ่งเป็นค่าศึกของธรรมเป็นค่าศึกของใจซึ่งเป็นครั้งแห่งกิเลสให้หมดทิ้นไปโดยไม่ต้องสงสัยจะประกรอบด้วยดัมที่กล่าวมาเบื้องต้นพระพุทธเจา้จาสัง颂ว่าจักขูกันไหมงานจักสุก็เกิดคือคําว่าจักสุก็หมายถึงจักสุยาน ภายในใจรุ่ร้วนไม่ได้นำตาเนื้อไปใช้เลยเนี่แต่นิดหนึ่งงานนกกรณีซึ่งเป็นความละเอียดแหลมคมของอยางคือว่าจากขาูกรหมาจึงว่าเห็นอย่างชัดเจนด้วย <c oughs> พระจิตที่บริสุทธิ์ไม่มีสิ่งใดมาปิดบังหุ่มห่อเหมือนอย่างแต่ก่อนง <c oughs> านนักกรณีทรงอย่างทราบตามหลักความจริงไม่ลบล้าง ความจริงที่มีอยู่ <c oughs> มีอยู่อย่างไรทรงรู้ทรงเห็นอย่างนั้นเห็นก็คือจกักปุญญารู้ก็คือญาณความอย่างรา้เก่งทั้งทรงรู้ทรงเห็นในสิ่งที่มีอยู่ทั้งหลายและวิธีการบำเพ็ญวิธีการหลีกเลี่ยงแต่หลีกเลี่ยงอย่างไรวิธีการละการถอดการถอนถ่าถอนอย่างไรทรงสั่งสอนไว้โดยถูกต้องแน่นําสมบูรณ์เต็มที่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 ทิพย์พอสดทิพประจักษสุเหล่านี้เป็นต้นเป็นไปเพื่อความรู้แจ้งแทงทะลุใมจกิเลสต่เพศต่างๆไม่มีสิ่งใดเลือดอเป็นไปเพนนื่อนิพพานมีสมารถมติมาปฏิปทานี้แหละที่เป็นพึ่งนี่ทรงสอนออกมาจากพระไถย ที่ทรงบรรจุทั้งเหตุทั้งผลไว้โดยสมบูรณ์อยู่แล้วจิ <c> ่ <oughs> งไม่มีอะไรขาดตกบกพร่องอะไรที่เป็นภัยก็ทรงแสดงให้ฟังแล้วสิ่งที่จะเป็นคุณจมกระทั่งถึงมหาคุณก็แสดงไว้โดยถูกต้องรวมความลงแล้วว่านี่คือาศาสนาองค์เอก เ, เป็นผู้ทรงสั่งสอนไว ความรู้ทั้งหมดออกมาจากความเป็นศาสดางองค์เอกออกมาจากความเป็นสัพพันดูไม่ได้รับรู้ไม่ได้ศึกษาเราเรียนไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดมาให้อุบายอุบายที่จะแก้กิเลสทั้งมวลด้วยธรรมนี้เป็นอุบายของธรรมล้ว น, วนเกิดจากสัพพันญูคือรู้เองเป็นเองพ้นไายเอง ละไดเองรู้แจ้งแทงทะลุเองนำมาทรงทรงสั่งสอนสัตว์โลกด้วยความรู้ความเห็นความเป็นจริงของพระองค์แต่พระองค์พระองค์บรรดาพระพุทธเจ้าสลายทรงสั่งสอนอย่างนี้จ <c> น <oughs> กระทั่งได้รู้แจ้งแทงทะลุไปหมดไม่มีสิ่งใดเหลือการสอนจึงไม่มีแง่สงสัยแม้แต่แง่เดียวหรือแง่หนึ่งแง่ใดเลย สอนสอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยสอนเต็มอัดเต็มทมผู้ฟังซึ่งมุ่งต่อความจริงตามหลักธรรมซึ่งเป็นธรรมชาติที่กริงลมนแล้วจึงได้ฟังอย่างถึงใจดังเบญจาวาขีทั้งห้าพอแสดงดาเวเมดิคเวขึ้นแล้วก็แสดงมัติมาปฏิปท า, าท่านเหล่านี้ก็เลยรู้แจ้งเห็นจริงคือรู้แจ้งแทงทะลุในสติปัญญาที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ ลงไหนจุดเป็นจุดที่ทํางานท่านก็รวมลงว่าอริยสัจสี่ทุกข้างอริยสัสจจังสมุทะสมุทะอริยสัสจจังสมุทัยอริยสัสจจังนิโรธอริยสัจจังมรรคหาอริยสัสจาาสสจังรวมลงที่กายที่จิตนี้ทั้ง น, นั้นนี่แหละอริยสัจท่านแสดงเรื่องอริยสัจสี่แสดงลงในสถานที่ทํางานลงที่กายที่จิต ข, ข, ขึ้นกิจการทั้งหมดชาติปีตุขาชร า, าปีตุขาถึงเรื่องความทุกข์นำนำปีตุขังเรื่องร่างกายนี่มันเป็นทุกข์เป็นทุกข์เพราะอะไรครับชาติก็เป็นทุกข์ความเกิดขึ้นมาตั้งแต่เริ่มแรกอยู่ในคันก็เริ่มแรกตั้งความกองทุกข์ขึ้นมาพร้อมๆ ในคันนั้นในตั้งเป็นรูปร่างใหญ่โตขนาดไหนกองทุกก็เริ่มเท่ากันเท่ากันมาโดยลําดแบบับจนกระทั่งขณะตกคลอดก็เรียกว่ากองทุกถึงขั้นสลบสลายทนไม่ได้ตายมีเยอะนี่คือความทุกในการเกิดชาลาปีตูขาเวลาเท่าแก่ชาลาแล้วเป็นยังไงกําลังวังชาลด่อนลงไปหมดจนถึงกับกาช่วยตัวเองไม่ได้นอนอยู่เหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนเป็นแต่ว่าลมหายใจคลองตัวอย <c oughs> ู่เท่านั้น ความรู้สึกก็มีแต่ไม่มีกำลังที่จะช่วยพยุงตนเองเกิดทุกข์แค่ไหนมนุษย์ดาสัตว์ดาเพราะช่วยตัวเองไม่ได้แต่ความทุกข์มันเหยียบย่าทำลายเป็นลาดับต่ำดา่าไมไ่ลดน้อยลงเหมือนกับกำลังวังชาที่จะช่วยตัวเองนั่นเลยในขณะที่จะตายทุกข์บีบคั้นไปจกนกระทั่งสลบสลาย ถ, าถ้าติไม่มีพระไม่ได้มีการอบรม ก็ควาโน้นคว้านี้ไม่มีอะไรเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นตัวของตัวคว้าลงคว้าแลรงคว้าด้วยความสําคัญเป็นไปด้วยอำนาจของจิตสัมมวลทุกก็บีบบังคับเข้าไปจึงทิ้งเนื้อทิ้งตัวตกเตียงไปก็มีมากสมผู้นอนอยู่บนเตียงเพราะอะไรเพราะความทุกข์มันบีบบังคับให้ตกกระเด็นไปนอนตกกระเด็นไปนี้อยู่ด้วยความสงบไม่ได้นี่คือกล่องทุกข์ท่านบอกอย่างชัดเจนอย่างนีทุกข์หรือไม่ทุกข์ เราว่าท่าบดูที่กล่าวมานันปรารถนาอะไรๆ ไ, ไม่สมหวังก็เป็นทุกข์ความปรารถนาส่วนมากหมายถึงเรื่องปรารถนาของโลกทั้งหลายอันเป็นเรื่องของจิตตั้งความปรารถนามากน้อยอย่างใดก็ชื่อว่าสร้างสมความทุกข์ขึ้นมากน้อยเพียงนั้นโดยลําดับลาดับได้มาก็ แทนที่ความสุขจะอยู่กับความได้มามันก็ไม่อยู่เสียความปรารถนานั้นมันก็ไปของมันอีกเหมือนกับไปได้เชื้อเพราะฉะนั้นผู้ที่มีความปรารถนามากผู้ที่มีความโลภมากจึงหาความสุขไม่เจอเลยนอกจากเพิ่มความทุกข์เข้าโดยลําดับตำดับเพราะความโลภของตนฮาความสุขหาได้อยู่ในความพอดีไม่เพราะคําว่ากิเลสแล้วหรือคําว่าความโลภความปรารถนาแล้วจะไม่มีความพอดีจะเพิ่มตัวขึ้นโดยลําดับลําดับ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 เป็นไฝ่ายทั้งกองเอาความสุขมาจากไหนนี่ท่านพูดถึงเรื่องทุกข์ขัดมันเป็นทุกข์อย่างนี้ให้ทราบเริ่อของมันแล้วอะไรที่มันเป็นสาเหตุให้เกิดความทุขแต่พ้ออย่างยิ่งเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเจ็บหัวตัวร้อนหรือเวลาปุ๊บนั่งภาวนานานๆเราเป็นนักปฏิบัติเอากันในวงปัจจุบันนี้อันนั้นต์พัฒนาไปเพื่อให้ทราบสาเหตุเพื่อจะได้ประมวลเข้ามาสู่หลักปัจจุบันซึ่งมีอยู่กับตัวเราทุกรูปทุกนาม น, นี้ แล้พิจารณาในวงปัจจุบันนี้อะไรมันเป็นทุกข์ทุกข์ครั้งอเนจจังท่านบอกว่าทุกเป็นของจริงนี่ถึงขั้นจะเอากันจริงๆขั้นอารมณ์เป็นอย่างหนึ่งขั้นปฏิโลมเป็นอย่างหนึ่งขั้นอารมณ์มาถึงชาติไปดูขาชรลาไปดูขาเรื่อยนี่ขั้นปฏิโลมย้อนเข้ามาว่าใครเป็นทุกข์ตัวทุกข์จริงๆเขาในบอกเพราะว่าเขาเป็นทุกข์หมาย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 กายก็เป็นเช่นนั้นพิจารณาแยกแยกให้เห็นตามหลักความจริงโดยทางปฏิโรมคือเหมือนกับว่าย้อนให้หาความจริงไม่อารมณ์ต่างการพิจารณาคน้นคว้าอย่างนี้คืออะไรถ้าไม่ใช่สติถ้าไม่ใช่ปัญญาศรัทธาความเพียรความอุตสาห์พยายามจ้าอะไรมาใช้คนเรานี่เราจะจะทำทำงานอยู่ในวงเดียวกัน พอทุกข์เกิดขึ้นค้นหาเหตุของทุกข์ว่ามันเกิดขึ้นเพราะเหตุผลกลไกอะไรนี่คือเรื่องของปัญญาสมูไทรมาแก่ความปรารถนาอยากให้หายอยากให้ทุกข์ตั้งหลายสลายตัวไปอยากดูสบายเหล่านี้เป็นเรื่องของสมูไทยแต่เรื่องของมรรคไม่ต้องการหายหรือไม่หายก็ตามต้องการทราความจริงนี้เท่านั้น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 ทุกขังอริยสัจจังก็กิงเต็มส่วนพรจักกับใจโดยไม่ต้องไปถามใครอ๋อคําว่าทุกข์เป็นของจริงจริงอย่างนี้เองธรรมอุทัยเป็นของจริงก็จริงอย่างนี้เองนิโรธเป็นของจริงก็เหมือนกันดับทุกข์ไปโดยลํำดับลำดาตามหน้าที่ของตนมารเป็นของจริงก็รู้รอบขอบคิดเตวยปัญญาดูตามสภาพความจริงของตนที่มีความฉลาดรอบตัว ต่างอันต่างจริงเป็นขั้นขั้นขึ้นไปจนกระทั่งถึงจริงสุดยอดเมื่อถึงจริงสุดยอดนั้นทั้งสีนี้ก็ผ่านไปเหลือแต่ความมือสุดดนลวนที่พ้นจากสัตธรรมทั้งสี่นี้แล้วเนี่ยในธรรมจกกักรปวัตนะสูตรท่านแสดงไว้นี่คือชาติราองค์เอกแสดงไว้เป็นปฐมเทศนาเป็นปฐมเมเรกแก่บรรดาสาวกทั้งหลายผู้ที่อืม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 ไม่ต้องถามเพราะธรรมชาตินั้นก็เอกอยู่แล้วต่างอันต่างเอกต่างองค์ต่างเอกเป็นสภาพเดียวกันหาที่ค้านกันไม่ได้ <S <S เห็นแล้วเห็นพระพุทธเจ้าเต็มองคือเห็นความบริสุทธิ์ของตอนเองมีที่นี่ทา ม, มีอยู่ไม่มีปัญหาสำหรับท่านเหล่านี้เพราะจิตเป็นคู่ควรกับทา ม, มีอยู่ทั้งหลายนั้นได้สัมผัสสัมพันธ์กันโดยลาดับ น, นดาลจนกระทั่งเต็มภูมิแห่งจิตเต็มภูมิแห่งธรรม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 หงายความเพียรขึ้นมาศรัทธาความเชื่อจริงความเชื่อตามหลักความจริงของพระพุทเจ้านี้เป็นความเชื่อที่ไม่ขาดทุนสูญดอกเป็นความเชื่อที่ไม่เสียเวล า, เ, วลาเป็นความเชื่อที่ถูกต้องตามหลักธรรมและเป็นความเชื่อที่จะยังความอุตสาหพยายามทุกด้านทุกทางที่ให้โหมตัวเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อชำระสิ่งที่เป็นฆาสึกเพื่อ ปราบการสิ่งที่เป็นท่าศิษอันเป็นตัวจำความขนานออกไปจากใจตัวลำหนับปัญญาจงกระทั่งไม่มีอะไรเหลือภายในใจเป็นความเชื่อที่เกิดขึ้นกับตัวเองเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่ออย่างนี้ศรัทธาเป็นมาเองวันนี้เพียรเองเพราะเกี่ยวโยงกันคนเราเมื่อมีศรัทธาถึงใจทำไมความเพียรจะไม่ถึงใจชาติก็ต้องถึงใจสมาธิถึงใจปัญญาถึงใจธรรมถึงใจ ยี่เหียด ก, กระจายออกไปโดยโดยลําดับดลำหนายังไม่มีอะไรเหลื อ, อ น, นี่หทำความเพียรโดยหลักธรรมชาติความเพียรประจักษ์ใจเป็นอย่างไรไม่ต้องบังคับบัญชามันหมุนตัวมันไปเองชติก็เหมือนกันความลูกอยู่ที่ไหนชติจะกลมกลืนกันไปปัญญาจะกลมกลืนปั่นไปสมาธิมั่นคงทั้งเหตุคือการบําเพ็ญไม่หลาะแหละมั่นคงทั้งผลคือ สิ่งที่ปรากฏขึ้นเป็นความร่มเย็นเป็นสุขหนาแน่นมั่นคงพาณาจิตใจปันญามีความรอบตัวรอบทุกอาการของจิตที่แสดงออกมารอบทุกอาการของอวัยวะที่แสดงตัวออกไปรอบทั้งภายนอกที่เข้ามาสัมผัสสัมผันธเรียกว่าปัญญารอบตัวนี่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นปรากฏขึ้นในใจของผู้บำเพ็ญเอง แล้วก็ไม่ต้องถามผู้ใดๆทั้งหมดจะเป็นสิ่งที่ประจักษ์ยอมรับตัวเองภายในนั้นนี่ชื่อว่าทำแท้ขึ้นภานจิตเรายังไม่สามารถมองเห็นทำแท้รู้ทำแท้ต้องอาศัยํำหรับตำลากลางซะก่อนเหมือนเป็นแบบแปลงแผนถังแล้วพยายามทกเกียรติกาแต่จำนั้นหนักบ้างเบาบ้างต่อสู้กันไปทนกันไปจนถึงขั้นรู้ประจักษ์ตัวเองแล้วไม่ต้อง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 แต่จะสา ม, มารถสัมผัสสัมพันธ์ได้ด้วยใจที่ประกอบด้วยองค์ธรรมที่ถูกต้องตางที่กล่าวมาเหล่านี้เช่นศรัทธาวิยาสติสมาธิปัญญามีแบบเป็นทางที่ไหลามานทำเป็นเครื่องมือที่จะสัสมผัสสัมพันธ์ธรรมได้ทุกประเภทตั้งแต่ความสงบเย็นใจขึ้นมาโดยลำดับความสงบ ก, ก็ไม่ต้องไปถามที่ไหนปรากฏขึ้นที่ใจของผู้บําเพ็ญนั่นแหละจริงว่ะทำแท้ทำแท้เกิดขึ้นจากค่าภาคปฏิบัติปริยัติศึกษาเรียนมาตั้งแต่วันบวช เจสาลงมาหน้ขาทางตาตัดโจนี่ได้เรียนแนวปริยัติอูชายะมอบให้ทุกๆรูปทุกนามที่บวชตั้งแต่เน้นขึ้นไปแล้วนำนี่ก็ไปคลี่คลายขยายดีเป็นภาพปฏิบัติเป็นยังไงเจสาลงมาหน้ขาทางตาตัดโจอันเป็นเส้นๆนี้หรือเป็นขนทั้งผมทั้งขนเส้นๆนี้หรือเป็นขนนี่หรือเป็นของสวยของงาม มันเป็นเส้นๆนี้หรือเส้นญ้ามันก็เหมือนกันมันเหมนสวยงามทาไมผมอันนี้มันงามมันสวยนะอะไรพาให้สวยอะไรพาให้งามอะไรมันหลอกค้นหาความจริงถ้ามันเจอเมื่อค้นหาความจริงที่สิ่งที่มาหลอกแล้วมันก็จริงมันก็เจอตอนนั้นเองดูตามความจริงแล้วมันมีอะไรสวยงามผมขนเล็บฟันหนังนี่ ดูเข้าไปทั้งภายนอกภายในตลบทบทวนหลายครั้งหลายห น, หนบังคับบัญชาดูตามความจริงอย่าให้จิตทะเ ล, ะลาะอไรออกไปสู่ความจำปลอ ม, อมซึ่งจิตเลียมันปักเสียบเอาไว้รอบได้อันนี้ง่ายนักเล้วนักนะเพราะมันคล่องตัวมานานแล้วจิตเลียมเคยคล่อมตัวบนหัวใจเรามานานทํายังคล่องไม่ได้พอจะเริ่มทําถูกมันปัดมือตกไปหมดปัดมือตกไปหมดตบมือมือหกักมือขาดแขนหกักแขนขาดหัวกุดหัวดวนไปมันตั้งไม่อยู่แล้วที่เอี ตั้งความเพียรกระถูกมันปาดเสียตั้งท่าใดกระถูกมันปัดอาล้มไปเสียล้มไปเสียล้มก็ลงเด็ดลงหมอ น, นั่นแหละความที่เจ็ดสขีขั้นมันกระจมอยู่ในหัวใจนี้เสียมันกล้าไม่ออกเพราะกําลังของกิเลสกําลังของสิ่งจําปอมมันมีมากมันเป็นอัตนมัติของมันคล่องตัวที่สุดทันจทงต้องพยายามต่อสู้กับมันอย่างหนักด้วยความภาคเพียรความอุตสาห์พยา ย, ยามเพราะเล็งประจากใจได้ว่าทําเป็นของประเสริฐต่างหากกิเลสไม่ได้ประเสริฐ ทำต่างหาประเสริฐที่เดลสเป็นตัวหลอกลวงเป็นตัวจำปลอบร้อยเปอร์เ็นร้อยเปอร์เซ็นทำเป็นทำที่แท้ที่จริงร้อยเปอร์เนร้อยเปอร์เซ็ตสวนทางกันไปเราเชื่อเชื่อพระพุทธเจ้าหรือเชื่อกิเลกเราต้องถามตัวของเราเองด้วยสติปัญญาของเราเองจริงชื่อว่าเป็นผู้ซัดตัวเองกับกิเลกอยู่กับตัวเองแก้ตัวเองด้วยอํานาจของธรรมกิเลกเป็น เ, เครื่องผูกเคร่มัเราแก้ด้วยอาจด้วยธรรมเราจะเชื่อใคร พุทธังธรรมังสังฆั ง, งสงังกระฉามีเราเป่งวาจามาตั้งแต่นั้นอะไรจะพาะอย่างยิ่งขณะที่บวชตั้งแต่นั้นมาจงระั่างบัณนี้พระพุทธเจ้าประธรรมประสงค์นี้หรือองค์หลอกหลวงโลกมีไหมอืมเราถือพระพุทธเจ้าประธรรมประสงค์ถืออย่างไรอืพระพุทธเจ้าจริงอย่างไรในภาพปฏิปทาพอดีทั้งผลเป็นที่ไดครับเป็นที่พอประทานอยู่แล้วธรรมะที่วัทั้งธรรมัสงสังนันกระถามี้นี่ก็เหมือนกันอยู่ในประทานพเจ้าเต็ม ดวงอยู่แล้วทัานขังฉันงษามีพระสงฆ์สามพุทธล้วนแล้วตั้งแต่เป็ผู้ทรงทํามันบริสุทธิ์ที่ทั้งนั้นท่านเหล่านี้ไม่ใช่ผู้หลอกลวงไม่ใช่ผู้ต้มตุนจัดโลกทั้งหาให้ล่มจมไปมีกิดเลสเท่านั้นเป็นธรรมชาติที่หลอกลวงสัดโลกทั้งหลายให้ต้มออให้ร่มจมไปไม่ว่าจัดให้ว่าบุคคลหญิงชายถ้ชาชิฉันมาหน้าไหนก็าตาม ถ, ตมถูกต้มถูกตุน๋นจากที่จากกิเลสนีน้ทั้งนั้นทําไมเราก็เป็นคนหนึ่งซึ่งถูกต้มถู ก, ถกตุ๋นจากมันมานาน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 มันไม่เพียงแต่ตาโจท่านั้นแหละเมื่อเข้าไปถึงนี้แล้วมันจะอวัยวะนอใหญ่ในส่วนคนกางนี่มันจะตลอดทั่วถึงไปหมดเป็นสภาพเหมือนกันเทว่าทุกขังในจารตาเต็มหมดทั้งตัวนี้แต่ว่าอรูพาสุปรางตรงไหนมันอาบอดพอที่จะไว้วางใจได้มีไหมมันไม่มีเต็มมาตัวแต่ที่เด็ดมันบอกว่าว่าดีว่าสวยวางามมันเอารวมๆเลี้ยงๆมาหลอกเรเราก็เชื่อมันมันไม่มีความจริงอะไรเด้อเรายังเชื่อมันจนกระทั่งตอนนี้ เอาทํำมือจ้าจับเข้าไปอจับเข้าไปจาบก็ไปตรงไหนมาหยุดไม่ถอยแล้วก็พังพังเมื่อความจําปลอมนั้นพังแล้วมันก็อยู่สบายเพราะมีแต่ความปีนรนร้วนอยู่ด้วยกันสมายแตหมดแม้ทุกจะมีอยู่ในท่านในขันเจ็บไข้ในปวดก็ตามมันก็เป็นความปีนอันหนึ่งของมันเพราะใจของเราเป็นความกินแล้วนะมันก็ไม่เป็นทุกข์ต่อกันไม่กระทุกกระเทือนกันไม่ให้วันไม่ได้วันไหวต่อกันเลยนี่ค่ะที่จะมาให้พิธีงานอย่างนี้นี่เป็นสนามรบนี่เป็นสถานที่ทํางาน ของนักปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นไม่หลุดพ้นที่ตรงไหนหลุดพ้นที่ถูกถู ก, ถ, กถูกมัดน่ะอันเหล่านี้น่ะสิ่งเหล่านี้แ่ะเป็นเครื่องผูกมัดจิตใจของเราอยู่เวลานี้ท่านะกระเกษตระสนกวนก歪ดิ่ยดีนั้นพันในจิตใจใครๆก็รู้เพราะมีสิ่งพื่ให้ดิ่มไม่ต้องถามกันก็รู้้ทําจ่อเข้าไปที่ตรงไหนความสงอบจะปรากฏขึ้นมาปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งกิเลสมันพังลงไปหมดเพราะหน้าที่ทำปราบปรามมันแล้วไม่มีอะไรดี ไม่มีอะไรดินมีก็ตั้งแเรื่องขันล้วนๆเท่านั้นแหละรูปก็มีอยู่ทางสภาพท้องมันก็รู้อยู่แล้วว่ารูปนี่คือธาตุธาตุซีแน่ดินน้ําเป็นสําคัญที่เด่นเพราะเป็นธาตุที่ยาบ ก, ก้อนร่างกายของเรานี่มันก็ก้อนดินเหนียวนั่นเองทาบพาบด้วยด้วยน้ำยิงเชิญแฉะ่ในตัวของเราไม่ผิดอะไรกับ ที่ต้มที่คนที่เปียกแขะและ้วคนๆอะไรเลยลนะ่ะเนี่ยความร้อนเราก็เห็นอยู่แล้วฝ่ายติน ม, มันอะไรยฝายในร่างกายนี่ก็เป็นอันเดียวกันลมก็ลมหายใจก็หายใจเข้าหายใจออกตินอะไรลมลมมันหรือมันเป็นคนลมทั่งโลกทุนเด น, นไม่เห็นเป็นคนทําไมลมในจมูกมันเป็นคนได้ถ้าไม่ถูกหลอกาเสี่ยมเปื่ อ, อ ย, ยน่ะถามตัวเองมั่งที่เดนมันอยู่กับตัวเองต้องถามตัวเอง สติปัญญาขึ้นเป็นเรื่องของอันสั้คับอู่กับตัวเองค้นขึ้นมาใช้ค้นขึ้นมาฝุดคนมันทําลายมันจึงจําปอมข้างหลายอยานี้ดูมัเห็นชัดธาตุาสีดินน้ําลมไฟมีเท่านั้นมันมีความมิเศษวิโส อ, อะไรดินน้ําลมไฟเยียบย่ำไปมาก็มีแต่ดินแต่น้ำแต่ดมแต่ไฟท่างนั้นอยู่ในตัวนนนของเรานี้ตั้งแต่ ว, วันเกิดมาจนมาสักอย่างนี้มันให้ความมิเศษวิโส อ, อะไร ต่อเราบ้างอดี น, น่านหน่นไปธรรมะยิ่งเกษตรขันพันยอมมานานักหนาเกษตรขันพันยมมนยิ่งพันเข้าไปพิพันเข้าไปเหมือนดินทอดแหงออกที่ชาออกที่ด้วยสติปัญญามีเท่าไรหรืรมะพุทธเจ้าเป็นธรรมะที่เปิดเผยเป็นธรรมะที่เป็นความจริงองคอาจกล้าหาญมากนําเอามาใช้แก้ยี่เหลียมให้มันหมอบหน้าไปหมดไมให้มันเหลือจิงจําตามทั้งหลายหมดไปแล้วยังเหลือแต่ความจริงล้วนอยู่แสนสมายไม่มีอะไรมากวนใจล นี่เรียวกว่าขันล้ลวนคืออย่างนี้อ่ะมีแต่ขันรูปประขันก็เป็นขันล้วนเสียไม่มีกิเลสตัวอะไรเข้าไปแทรกเนี่ยถึงจะมีกําลังวังชาก็เป็นกําลังวังชาของธาตของขันไม่ใช่เป็นกําลังวังชาของที่อํานาจของกิเลสราชาตัญหาอะไรเนี่ยเมตนาความสุขความทุกข์เฉยๆที่มันเป็นอยู่ในร่างกายนี่ก็เห็นกันอย่างชัๆดๆอย่นี้มันก็มีแต่เกิดเกิดับดับก็รู้กันดูจนจําเจทําไมพิจารณาให้ไม่เห็นชัดตามสิ่งที่มันมีอยู่อย่างจำเจเปิดเผยอยูตลยล่ติธรเวลา มันน่าจะรู้จะเห็นกันด้วยปัญญาถ้านํามาใช้นะ่ะสัญญากลับฟังสิจําได้อะไรเรียนจปะไกวีดีโอก็จําทั้งนั้นเนี่ยกิเลสตัวหนึ่งก็ไม่ทันหอกเพราะมันเป็นสัญญาจําอะไรมาแจงกิเลสถ้าเป็นปัญญาแล้วพังเลยกิเลสไม่เหลือต้องจำออากมาให้เป็นปัญญาเลยถ้าเป็นปัญญาแล้วก็ทําลายกิเลสได้สังขารกับพุ่งอยู่นั้นยิ่งแยบยิบ่งยบยิบ่งแย บ, ยบ เมื่อมันเป็นขันรวนแล้วมันมีเท่านั้นแหละมันไม่กำเริบเสบสะพานสภาพขนอะไรเกิดขึ้นก็ตามสภาพของตนตามสภาพของตนไม่มีอะไรมามาหนุนมาถุดมาลากไปให้เป็นดังอื่นกายก็สักแต่ว่าคาอยู่นั่นเวทนาความสุขความทุกข์ที่เปอยู่ในขันก็เป็นอยู่ตามธรรมชาติมันรู้ตามความคิงไม่ตื่นไม่เต้นไม่หลงไหลต่างอันต่างกิงทั้งยาปรจําได้ประจําไปลืมได้ลืมไปรู้กันอยู่แล้วความจํากับความหลงลืมมันเป็นคู่เทียงกันก็รู้กันอยู่แล้วแม่ สารทานความคิดคาปุงก่อนปรุงไปอย่างนั้นไม่มีตัวใดที่เข้ามาถือบางเหียนอนวิชาปัญยาไม่ไม่มีตัววิชานั้นเนีลยตัวถือบางเหียนของขันตั้งห่านถูกพังทะลายไปหมดหนะครับก็เป็นขันรวนๆนี่จะมีรายเหลืออยู่รับทาบกันไปพอถึงการนาำสารของมันพอหมดแล้วมันก็สลายตัวงมันลงไปใครจะมาให้ชื่อให้นามมันทิ้ มีได้กินตรงเดียวไปห้ชื่อให้นามมันไปหลงมันพอจินตรงนี้รอบตัวแล้วมันยังอู่มันก็รู้กันอยู่อย่างนั้นถ้าตื่นกันมาได้ผ้าพระสต่กหมักให้เห็นว่าทำ ม, มีอยู่ถ้าเปิดเผยขึ้นที่ใจเดี๋ยานี้กิเลสปกปิดไว้ทําให้เห็นไม่เห็นทำทำประเสริฐกับกิเลสมันแทรกเข้าไปจะเหยียบหัวใจเราเแค่ว่ากิเลสประเสริฐความโลภเกิดขึ้นก็ประเสริฐความหลงเกิดขึ้นประเสริฐอืถ้าค้าตัญหาเกิดขึ้นประเสริฐ มีตั้งแตประเสรเิฐไปหมดเรื่องขงี่เด็แต่หาตัวประเสริฐอันแท้จริงที่จะมาหนุนใจในรับความสุขไม่มีเลยมีแต่พื้นแต่ไปมันพิเศษอะไรมันประเสริฐอะไรดูมันมั่งพี่มันประกาศกมาอยู่ในหัวใจรอกตลอดเวลาทําไมไม่เอาทําข้อจับกันบ้างหลักความร่มมันเคยให้คนเป็นสุขที่ไหนร่มมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นทุกข์มากเป็นฟืนเป็นไยเป็นหมดนั่นหมุนตัวเป็นเปียวยิ่งกว่ากังหัน คนโลคมากเป็นอย่างนั้นนะอยู่ไม่เป็นสุขดิ้นรนกระวนกระวายความโรคมันเหยียบย่ําทำลายหัวใจได้มาทลายแทนที่ความโรคจะสงบไปใจจะได้รับความสุขยิ่งเพิ่มพื้นเพิ่ม พ, พายขึ้นไปมันมีความสุขที่ตรงไหนนะเอาไม่เห็นจริงๆอย่างนั้นที่นักปฏิบัติทําเป็นของจริงที่เห็นทั้งของจริงทั้งของปลอมทอนะ่ความโลคมันเป็นของวิเศษมันเป็นของของความสุขอันนี้เป็นเรื่องของกิเลสสําหรับทำท่าน ถ้าไม่ว่างั้นท่านปราบไปเลยท่านลบล้างไปเลยมันสุขที่ตรงไหนคนโลกนั้นแหะคือคนจะตายเ น, น, นี่ยปูนง่ายไว้กันโลกมากเท่าไหร่มันจะตายเรื่อยโดนนอนความโกรธกำมั่นการมันเกิดขึ้นมามานี่ตัวแดงเป็นพริกเผาไปเลยนั่นเหรือคนเป็นสุขตัวแดงพริกเผานั่นเหรอผู้ไม่โลภอยู่สงบสบายไม่มีอะไรกวนใจต่างหาเป็นผู้มีความสุขเป็นผู้ทรงความสุขผู้ไม่โกรธอยู่ด้วยความสงบสบายด้วยจิตที่บริสุทธิ์ต่างหาเป็น ผู้ไม่เป็นเป็นผู้มีความสุขสมว่าจึงความสุงไม่หลงมงมงายไม่หลงอะไรทั้งนั้นตัวหลงตัวเหลงนี่ออกไปหมดไม่มีอะไรเหลือรามันออกหมดเหลือแต่ความรู้ที่บริสุทธิ์ล้วนๆนั่นคือผู้บริสุินั่นคือผู้เป็นบรมสุขนั่นต่างหากราคาตัาหาเป็นเครื่องขยาวก่อควรให้ดิ้นดนกัดแก่มเหมือนสุนัขเดินก้าวเดิสิดิ้นด น, นกระวนกระวายนั่นตัวมันดิ้นที่สุดตัวนี้เมื่อคาดสาเหตุตัวมันดิ้นอยู่แล้วอะไรจะมาดิน้นคนดิ้นตายมีความสุขไหม คนไม่ดิ้นต่าหามีความสุขนี่ราค่าตัางหาพัดิ้นร่มดินตายอยู่ทั้งวันทั้งคืนยืนเ น, นนอ น, น, นทุกเพศ ท, ทุกวัยมันมีความสุขหรอนะมันพาดิน้นนั่นความไม่ดิ้นต่าหากความสละตัดทิ้งสิ่งที่พาให้ดิ้นสลายนี้ออกเสียจากใจใจไม่ดิ้นใจไม่ดิด้นจะอยู่ด้วยความสงบร่มเย็นต่างหาเป็นผู้ใจที่ลงความสุขไว้เป็นผู้หาความสุขได้ได้นี่แล่ละการ์ธนาสิ่งนี้เจอถ้าเป็นความจริงเจอถ้าเป็นความจำปลอมการ์นาเท่าไหร่ก็ไม่เจออันนี้ว่าเป็นทุกเป็นทุกเป็นทุกเรื่อย จะปิดชันนั้นเราปฏิบัติตามปิดทุกขังทุกขังเลยี่ไม่มีคําว่าสุขขังสุขังถ้าดําเนินตามทางมากที่พระเจ้าทรงสอนแล้วประมังสุขังประมังสังไม่ต้องถามนี่แหละธรรมจะเปิดเผยขึ้นที่ใจความวิเศษจะเปิดเผยขึ้นที่ใจจะไม่เปิดที่ตรงไหนธรรมจะใจเท่านั้นจะเป็นผู้สัมผัสสัมพันธสเราขอให้ธรรมกิเลสปราบกิเลสให้มันพังทลายไปเถือ ความปิดบังมันจะหายไปพร้อมกับตัวกิเลสซึ่งเป็นเป็นตัวปิดบังกันเลยความเปิดเผยทห่ทำทุกขันทุกมุภูมิจะขึ้นในทันทีทันใดเลยระหว่างจ้าไปหมดเลยอืนี่ปฏิบตัติเอาให้จริงให้จริงนะปฏิบตัติอย่าไปเสียดายเรื่องของกิเลสมันมีแต่เรื่องของกิเลสทั้งนั้นรอบอยู่ในหัวใจของเราเ่นแต่ไม่พูดเท่านั้นนะ่มันเต็มอยู่ที่จิตใจเอาทําเปิดขึ้นมาเลยให้เห็นความวิสิทธิ์วิเศษสังกิตความทุกข์ความละมัดทนาจะกลายเป็นปุ๋ย ขึ้นมาสนับสนุนจิตใจให้มีความนุ่มเย็นเป็นสุขสมาธิไม่เคยปรากฏเขาจะปรากฏที่ใจปัญญาไม่เคยปรากฏก็จะปรากฏวิมุตต์ดุจพ้นไม่เคยปรากฏจะสงงางามขึ้นทต่ใจนี่ปรามังสุขังปรามังสุขังไปถามหาที่ไหนรู้อยู่ในใจแล้วถามที่ไหน อ, อ๋อพากัานตั้งอกตั้งใจอาลึกเหนื่อยมากวันนี้